สมาธิแบบฤๅษีกับสมาธิของพระพุทธเจ้าเขาไปกำหนดหมายเอาว่าสมาธิเนี่ยจิตต้องนิ่งสว่างรู้ตื่นเบิกบานเขาไปกำหนดหมายเอาโน้นถ้าใครทำไม่ได้ก็ไม่ใช่สมาธิแล้วอันนั้นมันสมาธิในฌานสมาบัติของพวกฤๅษีสมาธิของพระพุทธเจ้า พอจิตสงบปั๊บลงไปนิดหนึ่งความคิดมันฟุงฟ้งฟุง้งฟุ้งขึ้นมายังกับน้ําผุนี่คือสมาธิของพระพุทธเจ้าตอนก่อนเที่ยงนี่ก็มานั่งแก้อยู่รายหนึ่งไปปฏิบัติตามหนังสือของหลวงพ่อจิตฟุ้งซ่านใหญ่เลยเขาบอกว่าไปปฏิบัติตามหนังสือของหลวงพ่อจิตฟุ้งซ่านใหญ่เลยทําไมมันไม่สงบละหลวงพ่อถ้ามันไม่สงบแล้วจะปฏิบัติไปเพื่ออะไร ก็ตอบไปว่าก็ปฏิบัติเพื่อให้มันเกิดความคิดสติปัญญานะสิเมื่อมันเป็นอย่างนั้นคุณท้าทายเลยว่าแกจะคิดไปถึงไหนฉันจะนั่งจะนอนดูแกอยู่นั่นเอาสติกาหนดรู้อย่างเดียวเท่านั้นแล้วผลมันจะเกิดขึ้นเองผลจะเกิดขึ้นอย่างไรใครเป็นผู้รู้คนที่รู้ก็คือเรานั่นแหละรู้ในใจของเราเนี่ยปกติใจที่รู้สึก รู้นึกรู้คิดยังไม่มีระเบียบกฎเกณฑ์แต่มันมีสิ่งหนึ่งคือสติที่จะคอยควบคุมให้เรารู้สึกสำนึกผิดชอบชั่วดีสองอย่างนี้ประกอบกันเข้าทีนี้พอระลึกรู้ทันแล้วการเตรียมพร้อมนี่คือตัวปัญญาซึ่งท่านเรียกว่าสติสัมปะชัญญะสตินึกถึงสัมปะชัญญะรู้พร้อม เมื่อมีสติกักบสัมปัตยัญญะควบคู่กันนี่มันมีพลังขึ้นจิตของเราจะมีการเตรียมพร้อมตลอดเวลาเตรียมพร้อมเพื่อรับสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมพออะไรเข้ามาพับมันรู้ปับ๊บพอรับรู้แล้วมันจะวิจัยว่าดีหรือเลวควรหรือไม่ควรอันนี้คือตัวปัญญา อย่าไปมุ่งว่าจะได้ยานอย่างนั้นชาญอย่างนี้เมื่อเรามีสติตามรู้ความนึกคิดของเราการทำการพูดการคิดอยู่ตลอดเวลานั่นแหละคือยานยานแปลว่ารู้ในเมื่อเรารู้การทำการพูดการคิดของเราอยู่ตลอดนั่นแหละมันเป็นยานวิเศษ